พระธรรมเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปวันนี้อาจารย์เหลิม มาวางปฐมมาเลิกแล้วนะสร้างศาลานะอาจารย์เหลือมวางสร้างศาลาครอบครัวเพิ่ น, ห น, นหนึ่งหมื่นบาทอศาล า, าของเรากําลังเริ่มกําลังขุดหลุมรอบศาลาเป็นหลุมใหญ่อยู่นะอหลุมใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเวลา เข้าไปก็คงจะเกะกะสำหรับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเดี๋ยวเดินต้วมเตียมตกหลุมละโอตกหลุมซาลาเพราะนั้นออกมาฉันข้างนอกดีแล้วละ่ะซาลาข้างนอกของเรามีประวัตินะคณะทศไทยญาติโยมโลูกหลาน สมัยหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดมาอยู่ใหม่ที่ตรงที่ตรงนี้ยังไม่ใช่ของวัดเป็นที่ของชาวบ้านอยู่แต่ก็เป็นที่วัดเก่านะที่ตรงนี้นะเนี่อมันมีอยู่เหมือนเหมือนกระจอมปวกอยู่มุมนั้นกนะ่ะจอมปวกใหญ่พอสมควรอแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าคือโบสเป็นโบสมันพรามันเป็นอิฐ <c oughs> มีพวกอิดอิดก้อนใหญ่ๆ <c oughs> อยู่ในมุมนั้นแต่ก็มีเงินแต่พวกพระพวกอะไรเนะี่ยคงจะขนไปหลายรุ่นละแต่เมื่อหลวงพ่อมาอยู่หลวงพ่อก็ได้มาดูอยู่ว่ามันเป็นวัดเก่าตัวตรงนี้วะจากนั้นมาหลวงพ่อก็เข้าไปอยู่ข้างในแต่ว่าตร ง, ตรงข้างในตรงที่เนี่ย ตรงเลยสะพานมาเนี่ยนะเหมือนกับลักษณะเป็ น, เ, เ, ปน เ, เป็นเตาเป็นเตาเผาอิดเรียกว่าเป็นเตาตีเหล็กลักษณะอย่างงั้น อ, อยู่ดูเลยสะพานมาทางนี้อยู่ตรงปลาสักเนะแต่ว่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นโบสถ์เป็นรู้จักเราเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์เก่เาแต่ก็อยู่ข้างอยู่ข้างใน อยู่ข้างในวัดมีเฟื่องกระเบื้องเฟื่องหายเฟื่องหินหายหายอง <c oughs> พวกองคนโบราณเขาก็ทำองค์ไปแล้วนะสมัยนะั้นนะ <c oughs> ที่ของหินดินเผาดินเผาแบบแข็งแข็งนะเนเห็นแต่เฟื่องอยู่ข้างในเนะี่ยจู่เรียบเรียบฝั่งลางเนะี่ยเต็มไปหมดนแะถวตำหนักแถวนั้นะ ถ้าเราไปเดินไปปัดกวาดไปจะเห็นเป็นหินหินเฟื่องไหเฟื่องโอ่งที่มันแตกในพื้นดินสรุปแล้วก็คือที่พวกเรามาอยู่เนะี่ยไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ก่อนเขาก่อ น, ก, อนก่อนใครอื่นไม่ใช่นะสรุปแล้วก็คือคนมาอยู่ก่อนเราแล้วในยุคสมัยนั้นแต่ไม่ไม่รู้ว่ายุคสมัยไหนละ่ะโคงบ้านเมืองก็โคงแตกสรุพุพ่าย หรืออาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บรว่าเกิดศึกสงครามกส็สุดทิ่สุดแท้ที่สุดที่จะเดาแล้วก็ตำหนักตรงที่น้ำตกยุงทองเป็นภูเขาหลวงพ่อไปภาวนาอยู่ตรงนั่นที่มาอยู่ตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในอยู่ในถ้ก็มีมีบาท <c oughs> มีบาท แล้วก็มีพระพุทธโูกเป็นพระพุทธโูกไม้แต่มีปลวกนงนกัดก่อนกินไปมากแล้วแต่ก็มาเห็นเอเอตรงที่เขาปิดทองนะโอ้ทองโบราณก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเขาก็เก่งเหมือนกันนะ เ, เขาปิดทองพระเนี่ยดูๆแล้วยังตรงที่มันตรงที่ปิดทองอที่ยังเหลืออยู่เนะี่ยที่ปลวกไม่กินทองยัง ใสสดใสยอยู่สีทองทองพระเขาสรุปแล้วก็คือในท้องถิ่นเหล่านี้มันเป็นบ้านเก่าเมืองแก่คนเคยมาอยู่ก่อนแล้วนะ <c oughs> เป็นจะมีวัตถุโบราณให้ให้เห็นอยู่แต่คงจะเป็นจากนี้ไปเวียงจันทร์ก็ไม่ไกลนะจากนี้ไป สีเชียงใหม่ข้ามไปประเทศลาวนประมาณสักสาสี่ประมาณห้าหกสิบห้าหกิกิโลประมาณ น, น้ไม่น่าจะถึง ม, มันประมาณห0บกิโลจากนั้นมาที่นี่นะเพราะนั้นตรงที่เรามาสร้างศาลาหลังนี้น ะ, ะไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่มีที่ที่ไปที่มาก็คือมีที่ไปที่มาก็คือที่เป็นโบสเก่า เป็นสถานเป็นพุทธสถานเก่าเคยเป็นวัดเก่าเพราะนั้นใครมาภาวนาตั้งใจภาวนานะามีภูมิลุกขะเทวด า, าคงจะมีเจ้าของเก่าแก่วัดของเขาคงจะมาเยี่ยมยามถามข่าวก็ไม่รู้นะคตั้งใจภาวนานะใครมาภาวนาที่นี่นะ <laughs> แต่ก็ไม่ต้องกลัวหรอก คนวัดจะไปทำร้ายทำลายจะไปหลอกกันได้ยังไงใช่หมก็มีแต่มาถามข่าวเออเป็นง่ายสบายดีนะคงจะลักษณะอย่างนั้นเพราะ <c oughs> น, นั้นพวกเราเใครมาภาวนามารักษาศีลมาภาวนาปฏิบัติที่นี่ตั้งใจภาวนานะตรงนี้เป็นเป็นวัดเก่าแก่แพูดให้ฟังนะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวัน ที่พวกเราออกมาฉันข้างนอกวันนี้เป็นวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงพ่อก็ให้ทางธนาคารเขาโอนเงินค่าเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลชุมพแพนะเมื่อวานเนี่ยนะล้านหกแสนยังเหลืออยู่แต่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพราะเขาเอกสารยังไม่ยังไม่ครบก็เลยรอรอก่อนแล้วก็เมื่อวานก็มีทางสำนักชีของคุณแม่ชีแก้วอยากจะได้ที่ดินทางหน้าวัดหลวงพ่อโอทำไมเรื่องหนึ่งยังไม่จบเรื่องหนึ่งเข้ามาอีกแล้ว ตอนนี้เรื่องตรง น, นั้นก็ประมาณที่ดินประมาณเกือบไร่เกือบไร่ประมาณเขาจะขายประมาณนี่แหละตั้งตอรองกันอยู่กลงเงินแสนนะลุงพ่อก็เลยให้ทางสวจิตเขาช่วยๆกันถามๆดูสิความเหมาะสม ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยสร้างเจดีย์ของคุณแม่แล้วก็ซื้อที่ดินสร้างห้องน้องห้องน้องห้องน้องห้องน้า อ, อะไรๆมากซื้อที่ดินก็หลายที่ที่วัดคุณแม่แต่แตามไม่จริงน่ที่พวกเรามาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยนะที่พวกเราได้รับความสะดวกสบายมีศาลามีอะไรขึ้นมานะ่ ส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยของคุณแม่ชีแก้วนะลูกหลานนะคณะทรรายาทโยมนะคุณหมอเพนสีคุณแม่และก็ตระกูลของคุณหมอนะั่นเราก็คุณแม่ชีแก้วพุทเฒ่าเคยบอกนะบอกว่าได้ถวายปัจจัยถวายเงินสร้างวัดนี่ให้ครูบอยอินนี่มากกว่ามากกว่าทุกองมากกว่าทุกท่านที่ให ที่ถวายจะปัจจัยมาเพื่อสร้างวัดเนะี่ยเพราะนั้นเพราะนั้นผู้เท่าดูวคุณแม่เนะี่ยทุ่มเทให้ปัจจัยของเราหลายเงินทีเดียวนะต่างกล้ำต่างวาระที่สร้างวัดวาศาสนาขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็ตระ ก, กูลของหลวงคุณหมอเป็นสีคุณหมอเป็นหลักอะตระ ก, กูลของคุณหมอเนะี่ยช่ว ย, วยสร้างวัดของพวกเราที่พวกเราได้รับความสะดวกสบาย ทุกวันนี้นั่นแหละเพราะนั้นเมื่อข่าววัดของคุณแม่มีเรื่องพวกเราควรจะหวนกับไปช่วยๆท่านเหมือนกันถึงคุณแม่จะจากไปแล้วแต่ก็เป็นฝีไม้ลายมือแล้วว่าเป็นวัดของคุณแม่พวกเราก็ควรจะเชิดชูบูชาเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็เมื่อวานนีทราบข่าวนะขอมา แต่หลวงพ่อก็รับไว้พิจารนานะไม่ปฏิเสธแต่ยังไม่รับพอวัดของเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังหนักหนาอยู่พอสมควรแต่ว่าทึ้งยังไงก็ตามที่พูดให้ฟังเนยะทุกคนไม่ต้องหนักใจไม่ต้องหนักใจแต่ใครอยากจะทําบุญอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะให้หนักใจไม่ให้หนักใจทุกคนมันก็ต้องมีสิทธิ์ในการสร้างบุญสร้างกุศล แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำเมื่อไม่เกิดไม่เกิดศรัทธานะมันมีได้ทั้งสองนะ่ะแต่ตามไม่จริงในหลักทำคำสอนแล้วก็เกิดมาทั้งทีชีวิตเราจะไปเก็บอะไรมากมายนักหนาอย่างหลวงพ่อนะได้มาแล้วจะไปเก็บไว้ทำไมแล้วก็ถ้าจะมุ่งหวังสำหรับพระเนนของหลวงพ่อ ถ้าว่าหลวงพ่อขนไว้ขนไว้มากๆถ้าพระเนนของหลวงพ่อไม่มีศักยภาพไม่มีความรับผิดชอบอพูดง่ายๆขนออกไปเอามาใช้หรื อ, ชอแชกไปหมดเหมือนกันแล้วจะทำยังไงแต่ถ้าว่าพวกเขาเหล่านี้มีปัญญามีปัญญาอย่างหลวงพ่ อ, อย่างหลวงพ่อพาสร้างวัด หลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีปัญญานะแต่หลวงพ่อก็พาสร้างมาอย่างนี้แหละแต่ถ้าเขามีศักยภาพก็พร้อมที่จะดูแลวัดวาศาสนาต่อไปได้โดยความหมั่นขยันแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันคิดวางแผนเหมือนกัน <c oughs> วางแผนอย่างไรคือเราจะไม่สร้างท้าวรวัตถุไว้ให้มาก เพื่อมันกลัวจะเป็นภารักสำหรับผู้ที่อยู่ต่อไปสืบทอดจากหลวงพ่อไปถ้าหลวงพ่อสร้างตรงนั้นสร้างตรงนี้สร้างมากพอผู้ที่มาเป็นสมภารรองรับต่อไปเนี่ยตรงนั้นก็อพังตรงนี้ก่อเพตรงนั้นก่อซ่อมตรงนั้นก็ปลวกกินเพราะในสุดก็เลยสมภารก็ไม่ได้มีอันจะภาวนามีแต่ซ่อมวัดทั้งวีทั้งวันทั้งปีทั้งเดือน หลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นการที่จะสร้างอะไรต้องคิดๆเหมือนกันนะออพอจะทำสิ่งไหนได้ก็ทำแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าแต่หลวงพ่อตายไปแล้วตรงไหนเป็นตะยุบก็ยุบ อ, อ่เป็นตะลือล้อก็ลืออ้ออออพอมันดูแลไม่ไหวจะทำยังไงแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ทำให้ใหญ่โตรู้หลาโออาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ถ้าหลวงพ่ออยากจะทำทาได้ไหมได้ ก็คิดว่าน่าจะทำได้แต่หลวงพ่อคิดว่าน่าจะเพียงพอเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเห็นว่าประโยชน์สาธารณะควรจะมองทางเครื่องมือแพทย์บ้างวัดวาศาสนาเนี่ยที่อื่นบ้างแต่ที่ตัวเองเนี่ก็พอเป็นพอไปพอดำรงอยู่ได้ก็แบบพระ อยู่แบบพระอย่าหรูหราเกินไปแต่ก็อย่าอัตคัดจนเกินไปคือตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ในสมัยเก่าแก่นะใช่ท่านอยู่ด้วยความลำบากอัตคัดจริงจริงหลวงพ่อเคยพบเคยเจอมาแล้ว อ, อ, อยู่ที่พูเจาก็อกับวงหลวงปู่ลาเป็นสมัมณเณรอายุเพียง1ิบกว่าปีดูสิ คอน้ำเป็นปิบขึ้นบนขึ้นบนเขาท้อลอดเหงื่อแตกเหงื่อไหลกว่าจะได้น้ำขึ้นไปบนเขาแล้วก็เอาไปใช้จากนั้นก็ภาวนาเดินลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาเพื่อบําเพ็ญภาวนาอันนี้ก็เคยลำบากมาแต่พวกเราที่หลวงพอ่องมองที่วัดของเราเนี่ย มาถึงจุดนี้แล้วหลวงพ่อมองดูแล้วพวกเราสนี่สบายนะสบายกว่าที่หลวงพ่ออยอู่เยอะแยะไปหมดเลยจะเบื่อสบายมากๆแต่ถึงยังไงก็ตามแต่หลวงพ่อก็บอกให้ฟังบอกว่าเอาเธอนะให้ถึงสบายส่วนหนึ่งเราก็ควรภาวนาควรจะดูกิ จ, จวัตรข้อวัดปัดกวาดทำความสะอาด อย่าไปอยู่แบบสบายสบายแบบนะั้นสบายกิเลสนะถ้ากิเลสเข้ามาครอบงำครอบครองแล้วพวกเราเนะี่ยมันจะดิ้นผาดผาดเมื่อปลายมือเพราะนั้นพวกเราต้องดูดูไว้ต้องเล่งภาวนาเดินยมรมภาวนาดูจิตดูใจของตนเองนี่แหละสถานที่สับปายะสัปาย ะ, ส, ายะสถานที่สงบสงัดอากาศ ก็ไม่ร้อดไม่หนาวอาหารการบริโภคก็พอเป็นไปหมู่พวกเพื่อนอก็เข้าใจกันได้มีแนวความคิดอันเดียวกัน เ, เพื่อประกอบคุณงามความดีฝังหวังทางหวังพลทุก์เท่านั้น เ, เรื่องทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันถึงจะมีใค่อยู่ในใจเพราะว่าการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าการทะเลาะวอกแย่งกัน มันไม่ดีอันนั้นเป็นมวลทินหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจของเราขุนหมัวได้ง่ายเพราะนั้นไม่รู้จะขัดเครืองไปเพื่ออะไรต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างกายตายต่างคนก็ต่างมาเกิดมาเกิดก็ใช้กรรมของไขของเราอีกต่างหากไม่ใช่ของไขไม่ใช่กรรมกรรมของตนเองกรกรรมของเราต่อไปภายภาคหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ละคน เพราะนั้นตัวเองให้ทำดีที่สุดในขณะที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่านีน้ที่มาอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีให้ดีที่สุดเพราะว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหร่อยู่กันด้วยกันเมื่อไหร่นานเท่าไหร่ไม่มีใครที่ประกันได้ อาจจะหนีวันพรุ่งนี้ก็ได้มรืนนี้ก็ได้เพราะนั้นในขณะที่อยู่ข้าพเจ้าจะเป็นเราจะข้าพเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีทำดีเท่านั้นอันนั้นแหละให้พวกเราคิดไว้ในใจนะทุกคนนะคณะสัตยาธยมทุกๆคนนะตอเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร